หมวดว่าด้วยพระนละมาลียะเป็นต้นหนึ่งนลมาลียะเทราประทานประวัติในดิจฉาติของพระนละมาลียะเถระพระนละมาลียะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคําผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลก กำลังเสด็จเหาะไปทางอากาศเขาพเจ้าหยิบพวงมาลัยดอกอ้อแล้วออกไปในทันใดนั้นเองได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะณที่นั้นเขาพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ใช้พวงมาลัยดอกอ้อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นทักยินายบุคคลมีความเพียรมากผู้ทรงอนุเคราะห์โลกทั้งสิน้น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 ได้ทราบว่าท่านพระนละมาลิยะเทระได้พาศึกคถาเหล่านี้ด้วยประการชนินลมาลิยะเทระประธานที่หนึ่งจบสองมณิปูชกะเทระประธานประวัติในดิจชาติของพระมณิปูชกะเทระพระมณิปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่า พระชินนะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงประสงค์วิเวกเสด็จเาะไปในอากาศมีสระใหญ่อยู่ในที่เมฆไกลป่าหิมพานที่อยู่ของข้าพเจ้าซึ่งบุญกรรมประกอบดีแล้วมีอยู่ในสะใหญ่นั้นข้าพเจ้าออกจากที่อยู่แล้วได้เห็นพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงรุ่งเรืองเหมือนต้นราชกฤกษ์ ช่วงราวกับไฟที่ลุกโผงเขาพเจ้าได้เห็นดอกไม้ที่สดใสจึงคิดว่าจากบูชาพระผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกทําจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วจึงได้ไหว้พระศาสดาเขาพเจ้าหยิบแก้วมณีประดับศีรษะของเขาพเจ้าบูชาพระผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกปรารถนาว่าด้วยการบูชาด้วยแก้วมณีนี้ขอจงมีวิปากที่ดี พระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู่ในอากาศได้ตรัสพระคถานี้ว่าขอความดำริของท่านนั้นจงสำเร็จเถิดขอท่านจงได้สุขอันไพยบูญเถิดด้วยการบูชาด้วยแก้วมณีนี้ขอท่านจงได้รับยศที่ยิ่งใหญ่เถิดพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าปทุมตระ เราสรูร้ด้วยพระองค์เองครั้นตรัสแก่ข้าพเจ้าผู้ตั้งจิตปรารถนาไว้แล้วก็เสด็จไปข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอดหกิบกลับและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลายร้อยชาติเมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นเทวดาระลึกถึงบุปผกรรมขึ้นมาแก้วมณีย่อมบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและให้แสงสว่างแก่ข้าพเจ้าสตรีสาวล้วนแปดหมพันนาง สวมใส่สผ้าอาภร์อย่างงดงามค้อยต้มหูวแก้วมณีเป็นผู้รับใช้ของข้าพเจ้าล้วนมีหน้ากลมโตมีปกติร่าเริงรูปร่างงดงามเอวเล็กเอวบางแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่เป็นนิดนี้เป็นผลนห่งการบูชาด้วยแก้วมณีสิ่งของเครื่องประดับที่ทําด้วยทองคําแก้วมณีและแก้วทับทิมเป็นอันทําดีแล้วเพื่อข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าต้องการ เรือนยอดถ้ำที่น่ารื่นรมและที่นอนเป็นค่ามากดังจะรู้ความดั่งริดของข้าพเจ้าก็บังเกิดตามความปรารถนาการที่เหล่าสัตว์ได้เข้าไปฟังเป็นลาบที่พวกเขาได้ดีแล้วเป็นเนื้อนาบุญของมนุษย์เป็นโอสถของสรรพสัตว์ถึงกรรมที่ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระผู้ทรงเป็นผู้นําก็ชื่อว่าทําไว้ดีแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้รอดพ้นจากนรก ได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวเขาพระเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามแสงสว่างย่อมมีแก่เขาพเจ้าทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะการบูชาด้วยแส้วมณีนั้นเขาพเจ้าจึงได้สวยสมบัติพบแสงสว่างคือยานได้บรรลุบทที่ไม่หวันว่นไหวน้กลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ใช้แก้วมณีบูชาไว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 วิชาสามเขาพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แและอภิน ญ, ญาหกเขาพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขา พ, เ จ, าขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระมณิปูชกะเทระ ได้พาดติคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิวม น, นี้ปูชกะเทราประธานที่สองจบสกุกกาสติกะเทราประธานประวัติในดิจฉชาของพระอุกกาสติกะเทระพระอุกกาสติกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจิชาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าโกสิกะผู้มีบุญ มีปกติเข้าฌานยินดีในฌานผู้ทรงเป็นพุทธะยินดีในวิเวกเป็นพระมุนีประทับอยู่ที่ภูเขาจิตตะกูดข้าพเจ้ามีหมู่นารีห้อมล้อมเข้าไปยังป่าหิมพานได้เห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกสึกะผู้รุ่งเรืองดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญครั้งนั้นข้าพเจ้าถือคบเพลิงร้อยดวง แวดล้อมพระประเจกขปัจเจ้าอยู่ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนวันที่แปดก็ได้จากไปเขาพระเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสกราบไหว้พระประเจกขุทธเจ้าพระนามว่าโกสุกะผู้เป็นพระสยามภูผู้มีทรงพ่ายแพ้เสด็จออกจากสมาบัติแล้วได้ถวายภิกษามือหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาขกว่านรชน พระกรรมนั้นข้าพเจ้าได้เกิดขึ้นในหมู่เทพชั้นดุสิตนี่เป็นผลแห่งการถวายพิกษามือหนึ่งแสงสว่างย่อมมีเกิดข้าพเจ้าทุกเมือ่อทั้งกลางวันและกลางคืนข้าพเจ้าแผ่ราชมีไปได้ร้อยโยต์โดยรอบเนกับที่ห้าสิบห้านับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้มีชัยชนะเป็นใหญ่ในชมพูทวีปมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตครั้งนั้น นครของพระเจ้าเป็นนครที่มั่งคั่งแผ่ไพศาลและสร้างไว้อย่างสวยงามยาวสามสิบโยต์กว้างยี่สิบโยน์กรุงชื่อโสพณะที่วิสุกลมรเทพบุตรเนรมิตรให้เป็นกรุงที่สังหัดจากเสียงสิประการแต่ประกอบด้วยเสียงตังสดานอย่างไพเราะในกรุงนั้นไม่มีไม้เถาไม้ต้นและดินกรุงนั้นสำเร็จด้วยทองคำล้วน ชชุ่องอยู่ตลอดการเป็นนิดกรุงนั้นมีกำแพงล้อมถึงสี่ชั้นสามชั้นเป็นกำแพงที่ทำด้วยแก้วมณีส่วนตรงกลางวิสุกรรมเทศบระบุได้เนรมิตรแถวแห่งดงตาลไว้มีจะโบครนีหนึ่งหมื่นที่ปกคลุมไปด้วยดอกปธุมชาติและดอกอุบลดารดาด้วยดอกบุญทริกเป็นต้นเมื่อลมโชยพวมีกลิ่นต่างๆหอมกรุน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 ได้ทราบว่าท่านพระอุกกาจติกาเทระได้พาสิกขาานเหล่านี้ด้วยประการศนิอุกกาจติกาเทราประธานที่สามจบสสุมาณวีชนิยะเทราประธานประวัติในดิจชาตของพระสุมาณวีชนิยะเทระพระสุมาณวีชนิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้ามีใจยินดีได้จับพัดวีชนีพัดต้นโพที่ประเสริฐอยู่ที่คนต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ที่ประเสริฐของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้พัดต้นโพที่ประเสริฐไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี่เป็นผลแห่งการพัดกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ประวัติในดิจจ่าของพระกุมมาสะทายกะเถระพระกุมมาสะทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นบาตทท่ว่างเปล่าของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปสัสสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เสด็จเที่ยวแสวงหาบินดบาตอยู่จึงถวายข น, นมกุมมาจนเต็มบาตในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 ได้พาสุคขาเหล่านี้ด้วยประกาศฉนี้กุมมาจาทายกะเทราประทานที่หจบ 6. กุสัตถะทายกะเทราประทานประวัติในดิตฉ่าของพระกุสัตถะทายกะเทระพระกุสัตถะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี ได้ถวายสลากรพัดแดครั้งแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสะผู้ประเสริฐอยู่จบพรหมจรรย์แล้วในกลับนี้เองข้าพเจ้าได้ถวายสลากรพัดแปดครั้งจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายสลากรพัดแปดครั้งกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าข็าเผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้ากระ t h ได้แล้ว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 ประวัติในดิจฉาของพระคีริปุณนาคิยะเถระพระคีริปุญนาคิยะเถร ะ, ร ะ, เ, ระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะประทับอยู่ที่ภูเขาจิตตรกูดเขาพระเจ้าไดยถือดอกบุญนาบใหญ่ไปบูชาพระสยามภูในกกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไป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 ท่านพระคิริปุนาคิยะเทระได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประการชนิคิริปุนาคิยะเทราประธานที่เจ็ดจบ 8. วันลิการพละทายกะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระวันลิการพละทายกะเทระพระวันลิการะพละทายกะเทร ะ, ร ะ, ร ะ, ะ, ทะเระมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตาของตนจึงกล่าวว่า ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมาณะประทับอยู่ในกรุงตักกราเขาพระเจ้าได้หยิบผลไม้เครือเถาถวายพระสยามภูในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เครือเถากิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล่ได้ทราบว่าท่านพระวันลิการะพละทายกะเถระได้พาสิทธิฐานเหล่านี้ด้วยประกาศนี้วันลิการะพละทายกะเถราประธานที่แปดจบเก้าปา น, นาทิทายกะเทราประธาน ประวัติในดิตชาติของพระบาลนธิทายกะเทระพระบาลนธิทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าอนุมัตสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนผู้มีพระจักสุเสด็จออกจากที่ประทับกลางวันแล้วเสด็จขึ้นสู่ถนนข้าพเจ้าสวมรองเท้าที่ทำอย่างดีออกเดินทางไกล ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปงดงามน่าดูน่าชมในที่นั้นเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าข้าพเจ้าทำจิตของตนที่เลื่อมใสถอดรองเท้าออกวางไว้แทะพระบาทแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระสุคตผู้มีความเพียรมากผู้เป็นใหญ่ผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษขอเชิญพระองค์สวมรองเท้าเถิด ข้าพระองค์จะได้ผลจากรองเท้าคู่นี้ขอความต้องการของข้าพระองค์จงสําเร็จเถิดพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอโนมทศีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนทรงสวมรองเท้าแล้วได้ตรัสพระดำรันนี้ว่าเราจะพยากรผู้ที่เลื่อมใสได้ถวายรองเท้าแก่เราด้วยมือทั้งสองของตนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด เทวดาทั้งปวงที่ทราบพุทธธรรมรัสแล้วจึงพากันมาประชุมต่างก็มีจิตเบิกบานมีใจยินดีเกิดความโสมนัสประนมมือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเพราะการถวายรองเท้านี้แลผู้นี้จะเป็นผู้มีความสุขและจกครองเทวสมบัติตลอดห้าห้าชาติจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพันชาติและจกได้เป็นพระเจ้าประเทศราษอันไพบูรนับชาติไม่ท่วน ในกลับที่นับไม่ได้นับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโพดมตามพระโคดจากทรงสมพบในราชสกุลโอก า, กากราชจักอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จากเป็นธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพาน ผู้นี้จากเบองเกิดในเทวโลกหรือมนุษยโลกก็ตามจากเป็นผู้มีปัญญาจากได้ยานซึ่งเปรียบด้วยยานของเทวดาเขาพเจ้ามีประสาทวอช้างที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามหรือรถที่เทียมด้วยม้าอาชาในย่อมปรากฏมีแก่เขาพระเจ้าทุกเมือ่อแม้เมื่อเขาพะเจ้าออกบวชก็ได้ออกไปด้วยรถได้บรรลุอรหัตผลขณะปลงผม ข้ที่ข้าพเจ้าประกอบการค้าขายด้วยดีและข้อที่ข้าพเจ้าถวายรองเท้าหนึ่งคู่แล้วได้บรรลุบทอันไม่หวั่นไหวนั้นเป็นลาบอันข้าพเจ้าได้ดีแล้วเนื้อกลับที่นับไม่ได้นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายรองเท้าไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายรองเท้ากิเลทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 และอภิญญาหกเขาพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปานนติทายกะเทระได้พาศิกขานเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปานนติทายกะเทราประธานที่ย้าจบสิ 10. ปูลิณะจางกมิยะเทราประธาน ประวัติในเดจตชาตของพระปูรินะจังกมิยะเทระพระปูรินะจังกมิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อสแสวงหาเนื้อสมัมผัอยู่ในป่าใหญ่ได้เห็นที่จงกรมข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีใช้ชายพกห่อทรายมาโปรยลงที่จงกรมของพระสุคตผู้มีพระสริ เนกับที่สาสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้โปรยทรายไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการโปรยทรายกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผ า, าได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าขาอนได้แล้วเขาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าท่านพระปูรินะจังกมิยะเถระได้พาสุสกถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปูรินะจังกมิยะเทราประธานที่สิบจบนลมาริวัคที่สี่สิปดจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวักษ์นี้คือหนึ่งนลมาริยะเทราประธานสองมณิปูชกะเทราประธาน สอุการาสติกะเทราประทาน 4. สุมาณวีชนิยะเทราประทาน 5. ้กุมมาสทายกะเทราประทาน 6. กุสัตกะทายกะเทราประทาน 7. คิริปุลนาคียะเทราประทาน 8. วัลลิกะระภะทายกะเทราประทาน 9. ปานทิทายกะเทราประทานสิ ปุรินะจังคมียะเทราประธานในวักนี้บัณฑิตนับคถาได้เก้าสบห้าคถา